วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกตุลาห้าสองตรงกับวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสิบสองวันพระนาเนี่ยก็เป็นวันลอยกระทงเป็นวันหมดเขตกระถินเป็นวันเดือนสิบสองเพนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง แต่ก็หลวงพ่อไม่คาดคิดเหมือนกันแต่เขาคนนิมนต์มาหลายครั้งต่อหลายหนแต่มาคราวนี้ก็เห็นว่าลูกหลานศรัทธาญาติโยมที่อยู่ใกล้ชิดเป็นผู้นิมนต์เขารับอาสาจะดูแลจะให้ถูกตามหลักพระธรรมวินัยเราก็ไว้เนื้อเชื่อใจเราก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกเราก็ฟังฟังดูเพราะเราดูสุขภาพของเราด้วย ที่เราจะไปไหนไม่ใช่ว่าจะไปตามความคิดที่อยากจะไปเราต้องดูความพร้อมล้วดูสุขภาพถ้าวันจุดท้ายถ้าว่าสุขภาพเพราไม่ดีเราจะไปทําไมเราอยากไปทําไมอันนี้ก็เคยเป็นมาแล้วเคยมีมาแล้วหลวงพ่อไม่ไปถ้าว่าสุขภาพเราไม่ดีไปข้างหน้าเขาก็จะว่าโอ้ยหลวงพ่อเอ้ย สุขภาพตัวเองก็รู้ทางรู้จะมาทําไมเป็นภาระของคนอื่นเขาทั้งที่ตัวเองสอนแต่คนอื่นให้รู้จักความรอบคอบแต่ตัวเองไปโง่ซะเองอย่างนั้นตลวงพ่อไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นเสียแต่ว่ามันสุดวิสัยขณะที่เรายังอยู่เนี่ยเราไม่มีปัญหาแต่ไปแล้วมันเกิดปัญหาข้างหน้าอันนั้นมันกรสุดวิสัยเพราะโลกนี้เป็นอนิจจงังโลกอนิจจงัง แต่ถ้าว่ารู้ทั้งรู้ว่าตัวเองสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วเป็นไข้เป็นหวัดร่างกายไม่สมบูรณ์อยู่แล้วก็ยังดันทุนลังไปไปก็ให้เป็นภาระของคนอื่นเขานั่นเราจึงไม่พูดล่วงหน้าว่าเราจะไปอย่างนู้นไปอย่างนี้เราไม่พูดจนนาทีสุดท้ายพวกท่านเคยได้ยินที่หลวงพอ่อพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเปล่าเปลาก่อน หลวงพ่อไม่พูดบนนาทีสุดท้ายเอาไปเข้าไปบางคนเขากะบวนให้เหมือนกันว่าหลวงพ่อไม่บอกถ้าจะว่าไปหลวงพ่อปัจจุบันมันด้ยขาดการอนาคตไว้มากคนนั้นอนาคตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนดูปัจจุบันปัจจุบันไปพอที่จะไปได้ก็เอาไปแต่การไป เราก็ต้องบวกลบคูณหารดูได้เสียขนาดใดอย่างไรถา้าไปแล้วมันขาดตกปกพ่องตอนหลักพระธรรมวินัยผิดศีลของตนเองอันนั้นเราก็ไม่ควรจะไปแต่ถ้าเราไปไม่ผิดศีลแต่ผิดกฎระเบียบบ้างขาดทุดงบ้างอันนั้นเราก็บวกลบคูณหารดูอีกว่า การขาดทุดงนะเราจะไปบินธบาตในเมืองเขาบินธบารได้หรือบินธบาตเป็นวัดก็คงไม่ได้แต่ฉันในบาทเป็นวัดได้หรื อ, อ, อมันก็คงไม่ได้เพราะมันเป็นดูแล้วมันไม่พร้อมที่จะไปฉันอย่างนั้นมันไม่ใช่สถ า, านที่ของเราที่จะไปฉันอย่างนั้นได้สิ่งตรงนี้ก็คือธุดงเราต้องได้ยกเว้นไว้ก่อนยกเถิดทูลบูชาวไว้ก่อน ยกใส่หัวไว้กอดบ้างนันะเราไม่ได้ล่วงเกินแต่ว่ามันไม่พร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นการสถานที่บุคคลอันนี้ก็คือเราไปแต่สินนั้นวินัยนั้นอันนั้นผิดไม่ได้สินสองรีนั้นต้องรักษาตลอดการตับการนอนการอยู่การฉันการไปการมาทุกอริยบท สั่มรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิล์อันนี้คืออันหนึง่งแต่ส่วนทุดงเขวัดเตระสะสุดงสิบสามนั้นอันนั้นขาดตกบกพร่องไปบ้างแต่ชั้นมือเดียวเป็นวัดอันนั้นเราทําได้เราจะไม่ชั้นสองมือไปที่ไหนๆก็เราชั้นมือเดียวชั้นอาชนะเดียวเป็นวัดหอนนื่นนะเราก็ชั้นอาชนะเดียวเราก็ชั้นได้นี่แหละ ในขณะที่เรายืดหยุ่นเราก็ให้รู้จักว่าเรายืดหยุ่นในเมื่อจบจากจุดนั้นแล้วเราก็ดึงกลับเข้ามาให้ปกติเหมือนกับเราใช้ยางสเต็กอานั้นเรายืดเราก็ให้รู้จักว่าเร า, เรายืดใช้แต่เมื่อเราหยุดใช้เราก็ให้รู้จักไม่ใช่ว่าหยุดใช้ไปหยุดใช้กับปล่อยปละละเลย ายานแตงแหลงอยู่อย่างนั้นอันนั้นแปลว่าผู้ไม่เชื่อมั่นในกรรมหรือการกระทาของตนเองโลกเขาพาดึงไปยังไงก็ไปตามโลกของเขาไม่ยึดหลักธรรมพินยัยไม่ยึดศีลายจารวัตของตนเองอันนั้นไม่ใช่สักกยบุตรของพระพุทธเจ้า พระนั้นศากะยะบุตรของพระพุทธเจ้าเราจะทําตนอย่างไรแต่ได้มาพูดให้พระลูกพระหลานได้ฟังว่าหลวงพ่อไปนั้นไปศึกษาไปเห็นอะไรบ้างอันใ้พระลูกพระหลานบางองค์ก็คงยังไม่เคยไปหลงพ่อเองเป็นครั้งแรกของชีวิตไม่เคยไปที่ไหนไกลยิ่งกว่าครั้งนี้ครั้งนี้อายุหลวงพ่อหกสิบ 6ปีเข้ามาแล้วถ้าเกินกว่านี้หลวงพ่อก็คิดว่าคงจะไปอย่างนี้ไม่ได้อีกเหมือนกันปีนี้คล้ายๆก็เป็นปีที่สำบกสำบันแต่คณะนก็แทบจะไม่ไหวเหมือนกันมันปวดเล้าไปหมดร่างกายเหมือนกับรถมันแก่อย่างนั้นถ้าเกินกว่านี้ไปก็คงจะไปลำบาก บวกลบคูณหารดูแล้วพอไปกลับมาวันนีนะ้ออกจากประเทศอินเดียมาเมื่อคืนห้าทุ่มออกจากสนามบินเขามามาถึงตีห้าลำมาฉันที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่จากนั้นก็นั่งเครื่องบินจากสุวรรณภูมิแปดนาฬิกากว่าเกือบเก้านาฬิกามาถึงที่นี่เที่ยงห้าโมงกว่ามาถึงวัดก็บ่ายโมง วันนี้ก็ลงมาไปชุมอีก6โมงครึ่งมาลงมาไปชุมไหว้พระเป็นวันพระแปดค่านี่แหละทีนี้เมื่อไปถึงประเทศเขาเป็นยังไงไปอันดับแรกก็ไปถึงเมืองที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ที่ต้นโพเมืองขยาพระพุทธเจ้าตัดสรู้ ก็มีเจดีมีต้นโพต้นไม้ใหญ่ ต, ต้นที่สามแล้วกว่กในประวัติแต่มาพิจารณ า, นาดูเมื่อเราเข้าไปในจุดนั้นคนมันวุ่นวายเหลือเกินเพราะคนมันมากไอ้พวกขอทานพวกขอจริงขอปลอมก็มีตังเยอะแยะพวกจะขายของก็มีตังเยอะแยะผู้หญิงผู้หญิงก็มีเยอะแยะผู้ชายก็มีเยอะแยะ คนต่างชาติก็มีเยอะแยะถ้าจะให้หลวงพ่อในแนวความคิดของหลวงพ่อหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรใช่สถานที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จุดนั้นที่โคลนต้นโพแต่เดี๋ยวนี้ดูแล้วไม่สับไยะเพราะเหตุไดเพราะคนมันมากเกินไป แต่ถ้าว่าผู้ที่เริ่มเข้าไปศึกษาหรือว่าเริ่มสนใจพุทธศาสนาหรือไม่เคยไปเฉลยพอไปถึงแล้วก็ไปเห็นสังเวีนยสถานอย่างนั้นแล้วก็มีพระวิทยากรอย่างที่พระด็อตอรบุญมีไปกับพวกเราพวกเราไปพระสามองค์แล้วก็เป็ดพระวิทยากรองค์หนึ่งเป็นผู้นํากล่าวอธิบาย การเป็นมาของสังเวชนิยสถานและพูดถึงประเทศอินเดียในภาพรวมการเป็นอยู่ของเขาทุกอย่างเพื่อให้เราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็เป็นแนวความคิดเพราะท่านเป็นระดับดร็อกเตอร์ว่า น, นั่นท่านวิเคราะห์ออกมาก็หน้าฟังของท่านทีนี้เราก็ฟังมันก็อธิบายให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าตรู้อย่างไง พญาอโศกมหาราชสร้างสถูปเจดีย์อย่างไรปฏิบัติต่อต้นโพอย่างไรมีพระเจ้าแผ่นดินกี่องค์ระปีพระเจ้าแผ่นดินกี่องค์ที่ทําลายพุทธศาสนาท่านก็อธิบายให้ฟังมีทั้งผู้ก่อสร้างมีทั้งผู้ทําลายอใ น, นโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ใ น, นี้เราต้องรู้อีกเหมือนกันเพราะนั้นอยากจะให้แต่ใครยกย่องชนะเชิญเรา ลงพวยอินดีเนาะลงพวยอินดีเนาะทั้งวีทั้งวันผู้คู่ทุกค น, กคนอลงพวยอินตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน 100, ชาติมันคงจะไม่เจอคนจะยกย่องทุกคนอันนี้ของเราต้องรู้เอาไว้โลกมันเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้ในยุคในครั้งพุทธกาลก็เช่นเดียวกันคนที่ยกย่องเชิดชูบูชาก็มีคนที่คิดทำร้ายทำร้ายก็มีมันอยู่ในโลกอันนี้ เพราะนั้นเราต้องรู้อีกเหมือนกันทั้งสองเงื่อนเราจะไปคิดให้คนยกย่องอย่างเดียวหรือจะไปให้คนด่าเราอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกทั้งนั้นนะอันนี้เราต้องรู้แต่ทั้งยังไงเราต้องดูตนเองไว้อยู่เสมอว่าเราทำอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ทำนั้นท่านหมดเรื่องของท่านแล้วใครจะดุใครจะด่ใะดาใครจะว่าใครจะกล่าวใครจะยกย่องเชิดชูบูชา ไม่ก็เพิ่มทั้งนั้นเต็มแล้วน้ำเต็มแก้วแล้วนิ่ง น, นี่เราไปกราบสังเวณนิยสสถานอันดับแรกก็คือที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปได้ทาวัดที่นั่ น, นก็ควก็วุ่นวายแต่ถ้าหอไม่ใช่สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เราก็ควรจะหลีกเล้นออกจากจุดนั้นเหมือนกันแต่ในถือว่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงใครจะเป็นอย่างไรแต่เราก็ต้องทําใจของเราน้อมหลลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคําส่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือลาลึกถึงปีตุกภูมิคือสถานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรม ได้บรรลุธรรมในจุดนั้นจากนั้นเมื่อท่านได้บรรลุธรรมตัดสู้ธรรมแล้วท่านก็ออกไปเสด็จไปอยู่ที่ต้นนิคโครธต้นไซสามุจจรินอะไรลักษณะอย่างนั้นที่ล้อมรอบสรุปแล้วก็เหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเมื่อท่านได้บรรลุธรรมในจุดใดกุฏิหลังไหนต้นไม้ต้นใดท่านก็มองดู ตอนไม้ที่ท่านได้บรรลุธรรมท่านเห็นพระคุณจริงๆในการที่ได้บรรลุธรรมในจุดนั้นคล้ายกับว่าท่านได็นนกกิเลสลงในวีทีจุดนั้นกิเลสไม่สามารถที่จะโผล่ขึ้นมาสู้กับท่านได้อีกอท่านเป็นผู้ชนะสิบทิศร้อยทิศพันทิศหมื่นทิศแสนทิศมาทิศในชนะทั้งหมด กิเลสในจุดนั้นท่านจึงภาพภาคภูมิใจในพระพุทธเจ้าก็คงจะลักษณะอย่างนั้นกับมังนะเราก็จุดที่จะคาดเดาเหมือนกันก็คงจะเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านได้รู้ธรรมแล้วท่านยังได้เสด็จไปประทับ mm hmm. ในบริเวณนั้นหลายอาทิตย์ประทับทีละอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์จากนั้นท่านจึงได้เดินทางไปถึง อาราณสีปาอิสิปัตนามิคธายวั น, นโปรดปัญจวคีทั้งห้านะเนี่ยาเราจะมาวิเคราะห์อีกทีนึงเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้ไปอยู่ที่ประเทศอินเดียนภาวนาดีจริงๆเอออันนั้นใช่ปลูกศรัทธานะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยไปหรือว่าไม่เคยได้ยินเรื่องพุทธศาสนา ยังเหินห่างอยู่แต่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่ไม่ทุกใครอื่นอย่างหลวงพ่อเนะ่ยหลวงพ่อว่าจะฐานที่ใดก็ดีทั้งนั้นเพราะมันอยู่กับใจของเราไปเห็นจุดนั้นเราก็ระลึกถึงปีตุภูมิของเราคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนี้ทำเป็นของจริงจริ ง, รงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงเราจะไปพเคราะห์ อ, อยู่แห่งหนตําบลไหนห่างไกลขนาดไหน ทำน่นก็คือของจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ที่เราได้ศึกษาด้ยไม่เป็นอย่างอื่นในจิตใจของเราเหมือนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า น, นี่คือไฟนะน้ําแข็งนะเนี่อันนี้คือน้ําแข็งนะัคือทำนะทําให้จิตใจเย็นนะถ้าไปจับในขั้วโลกไหนก็คือน้ําแข็งมันก็เย็นถ้านนี้คือบาปนะอกุศล น, นะจิงไม่ควรทํานะจับจุดที่นั่นก็ร้อน ไปจับในขั้วโลกไหนมันก็ร้อนอีกแล้วเพราะเป็นไฟสรุปแล้วก็คือกรรมคือการกระทําเราต้องเชื่อในการกระทําของเราแต่พระพุทธเจ้าท่านตัดรู้ตรงนั้นแต่บางคนก็นึกเป็นอตีตารมณ์ว่าพระพุทธเจ้าได้ดรัดสู้ทำนี้ไปนั่งภาวนาและนึกถึงพระพุทธเจ้าน้ําตาไหลมีปีติคือความอิ่มใจมีความสุขในจิตใจอันนั้นก็เป็นส่วนบุคคล แต่เราจะไปถือว่าใครไปอยู่ในสถานที่นั่นแล้วจะไปสู่สวรรค์ทั้งหมดมีความสุขทั้งหมดเราก็คงจะไม่เห็นหมูหมากาไก่วัวควายอยู่แถวนั้นคงจะไม่เห็นขอทานอยู่แถบนั้นอีกเหมือนกันเขาคงจะมีความสุขทวนหน้ากันอันนี้มันเต็มไปหมดโยเ ย, ยไปหมดไม่รู้อะไรตรวมิอะไรแถบนั้นเพราะนั้นเราจะไปเชื่อ อย่างเดียวที่ว่าศรัทธาอย่างเดียวเราต้องวิเคราะห์ด้วยปัญญากรรมคือการกระทาทาที่ไหนก็ดีหมดถ้าว่าเราทาดีในครั้งพุทธกาลพระเทวทัตจุ ป, ปะพุทธนางจิตจามนาวิกอาวกยักษ์นางคันธยาที่ตกนรกหมกไหมในครั้งพุทธกาลเขาก็ อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าขนาดนั้นเขาก็คงจะไปสู่สวรรค์นิพพานกันทั้งหมดแต่นี่เหตุไรเพราะตัวเองทํากรรมชั่วในเมื่อทํากรรมชั่วก็ยิ่ยงหนักอีกเพราะไปใกล้ไฟเพราะไปใกล้พระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นภูมิเมตตาตัวเองก็ไปอิจฉาพยาบาทกับพระพุทธเจ้าบาปหนะัก แต่เราอยู่ทางนอกดิถ้าเราคิดอิจฉาพยาบาทอย่างนั้นบาปั้มก็บาปอีกเหมือนกันเอออย่างที่เราไปทำาทําทำร้ายพระพุทธโลกอย่างนี้นไม่เคารพพระพุทธโลกอย่างนีน้มันก็เป็นบาปในจิตในใจของพวกเราเช่นเดียวกันเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือกล่อมคือการกระทำให้เชื่อในการกระทำของตนเอง ถึงจะอยู่ในกุติอยู่ทางนอกอยู่ข้างในอยู่ในวิหารอยู่ในวัดวาสศาสนาอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์รู้อยู่ตามลำพังก็ให้เคารพให้มีความเชื่อมั่นให้เป็นผู้มุ่งมั่นยึดหลักธรรมเป็นหลักในก จ, จิตใจอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นสุกทั้งหมดแต่เทายึดกิเลสมาเป็นเครื่องอยู่แล้วนั่นถึงจะไปกอดชายจีวรสบงจีวรของพระพุทธเจ้า กอด แ, แข่งกอดขาพราะพุทธเจ้าอยู่ก็เถอะแต่จิตใจมันร้อนเป็นไฟไฟนรกเอเวจีมันไหมอยู่ในหัวใจจะหาความสุขได้ที่ไหนอันนี้สรุปแล้วก็คือกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถึงจะอยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าเราทําดีแล้วดีดีทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเรานักปฏิบัติต้องคิดอย่างนั้นจากนั้นก็ไปดูสังเวียนิยตฐา น, นหลายแห่ง จนไปถึงก็พาไปดูถ้ำอาจันตาอาจรรันต า, า, รรตาที่เจาะภูเขาเข้าไปอันนี้ก็อือเป็นความคิดของพระในยุคนั้นเจาะภูเขาเป็นหินได้อย่างไรอันนี้ก็ทึงอีกเหมือนกันอันนี้ท่านผู้เจาะเข้าไปท่านก็ทำด้วยความบริทีสุดใจ ท่านได้อะไรท่านทำไปแล้วท่านไปตายใช่ไหมท่านก็ห น, นี้ไปอีกเหมือนกันเป็นพันๆปีเป็นพันกว่า ป, ป, ปีเกือบสองพันปีนี่แหละอันนี้ท่านก็ฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินพวกเราได้เห็นได้ศึกษาแล้วก็เออดีคนก่อนหน้านี้มีพระพุทธรูปอยู่ในนั้นด้วยมีพุทธประวัติอยู่ในนั้นด้วย โดยที่ไม่มีตัวหนังสือแต่ว่าเป็นสื่อด้วยภาพรูปให้แก่พวกเราได้ศึกษาในพุทธประวัติเป็นอตีตารม์อันนี้ก็เป็นผลดีมาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราเกิดมาทั้งทีชีวิตจะอยู่เป็นวันวันกินเป็นวันวันไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรเลยไม่ได้ฝากฝีมือไว้ในแผ่นดิน ไม่ได้สังสมคุณงามความดีอะไรเลยเออไม่ได้ทำให้คนอื่นร่มเย็นเป็นฉุกอะไรเลยเกิดมาแล้วก็มีแต่เกาะเหมือนกับปลิงมาเกาะชุมชนสังคมเกาะประเทศชาติเกาะวัดวาศาสนาเกาะพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกาฝากเหมือนกับปลิงเกาะคนอื่นกินอยู่อย่างนั้นมันเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นไหม ถ้าเราเป็นอย่างนั้นก็น่าตําหนิอย่างมากสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราอย่าให้คนอื่นหนักใจกับเราสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีอยู่ในวัดวาศ า, ศาศาสนาปัดกวาดทาความสะอาดเช็ดถูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีทั้งนั้นนี่แหละอันนี้คือฝากฝีมือฝากคุณงามความดีไว้ในพระพุทธศาสน า, ศาฝาก คุณงามความดีไว้กับหมู่กับเพื่อนกับคู่คนกับประเทศชาติบ้านเมืองถ้าเรามีความสามารถมากกว่านั้นก็ฝากไว้อย่างองค์หลวงตาท่านฝากทองคําเข้าคลังหลวงอย่างนั้นนะหลวงตาได้อะไรหลวงตาก็ไม่ได้อะไรเมื่อท่านฝากเข้าไปแล้วกถึงคราดหลวงตาก็จากโลกไปอันนี้อายุท่านเท่าไหร่อันนี้นฝากคุณงามความดี เพราะนั้นพวกเราให้ํานึกไปอยู่เสมอในใจว่าข้าพเจ้าจะฝากคุณงามความดีสิ่งไหนไว้ในแผ่นดินนี้ที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบบัณฑิตนักปราชญ์เนี่ยถ้าเราคิดในแง่อย่างนี้เราก็ไปเห็นอย่างนั้นขึ้นมาเราก็ควรจะคิดพระมหาเถระเหล่านั้นที่ท่านเจาะถ้าเข้าไปใหญ่ถึงขนาดนั้นน่าถึงว่าไงน ซึ้งเหมือนกซึ้งในน้ําจดท่านทําเข้าไปแต่จะว่าอีกอย่างหนึ่งร็ว่าโอ้เสียเวลาเสียเวลาในการทําน่าจะเอาคุณงามความดีน่าจะมาชําระใจของตนเองให้หมดจดจากกิเลสแต่เราจะไปรู้ได้ยังไงว่าท่านเหล่านั้นหมดกิเลสแล้วท่านทําด้วยความบริสุทธิ์ใจทำเพื่อเป็นอนุสร์สถานลําลึกถึง พ, พระพุทธเจ้าเพราะว่า การที่จะทำสิ่งไหนขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ยังยืนแต่ถ้าว่าเจาะถ้าขึ้นไปเป็นรูปอย่างนั้นบอกสื่อความหมายอย่างนั้นอย่างพระธุ้าสารจีอย่างนี้นพญาธรรมโศกแกะหินสลักขึ้นมานท่านก็ไม่ได้เขียนหนังสือแต่ว่าเป็นสื่อความหมายในการบอกกล่าว บอกเลยรูปวาดรูปแกะสลักนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการเชิดชูบูชาพระพุทธศาสนาถาว่าพวกเราไม่ได้คิดไม่ได้ทําอะไรเลยพุทธศาสนาจะยืนยาวประชวรเพื่อเพื่ออย่างสงสัยอีกว่านั่โกหกกันหรือเปล่าพุทธศาสนาแต่นี้ถ้าเมื่อเราไปเห็นสถานที่อย่างนั้นโอ้โหพุทธศาสนาของเราไม่ใช่ธรรมดานับถือกันมาเป็นพันปี เป็นพันพันปีเกือบสองพันปีสองพันกว่าปีฮะอย่างนี้แหละอันนี้ก็คือที่เราไปเห็นที่นำมาเล่าให้แก่พาลูพาลานได้ฟังได้ศึกษาสรุปแล้วก็คือนักษณะเป็นอติตาลมเป็นที่ประสูตรตรรุ้แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเราเป็นสถานที่ เกิดของปิตุภูมิคือพระบิดาทางธรรมะเมื่อท่านให้ธรรมะแก่เราท่านได้อะไรท่านมีแต่เมตตาอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เช่นเดียวกันท่านให้ธรรมะแก่เราแล้วท่านได้อะไรพวกเราคิดดูท่านไม่ได้อะไรจากเราเพราะนั้นเราไม่มีทางอื่นที่จะ ทดแทนพระคุณของท่านมีแต่ยกมือทั่วหัวโอ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณจริงๆท่านไม่ได้มุ่งหวังอะไรกับเราเหมือนกับแบ่งสมบัติแบ่งสมบัติให้แล้วสมบัติเหล่านั้นเราก็เอามาใช้บำรุงชีวิตของเราแต่นี้ท่านให้ธรรมะทำคำสอนนำมาประพุทธปฏิบัติถ้ามูผู้มีปัญญาเท่าไรก็ยิ่ยงลึกซึ้ง ถ้าคนโง่ก็ไม่เห็นคุณถ้าคนโงนะ่เหมือนกับลูกโง่ถ้าลูกใครโง่ลูกคนไหนโง่ลูกชายลูกหญิงโง่ก็ไม่ระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ไม่ได้แต่ว่าลูกผู้ฉลาดรอบรู้ฉลาดยิ่งระลึกเท่าไรก็ยิ่งพักคุณของพ่อแม่ก็ยิ่งลึกซึ้งที่ท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อ่อนแต่ออก จนถึงเราได้ศึกษาจนใหญ่ขนาดนี้ลึกระลึกเมื่อใดที่แ่ในเลี้ยงดูเรามาผู้มีปัญญาเท่าไรยิ่งลึกซึ้งยิ่งมองได้ไกลนี้ก็เหมือนการทำมัทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าผู้มีปัญญาพูดอิติปิโสพะกวาบันละยายเท่าไรก็ไม่รู้จักจบจักสิน้นเพราะ พ, พระคุณของพระพุทธเจ้ามากขนาดไดน สว่าค้าโตพระธรรมของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าประกาศเผยแพ่ออกมานะแต่ละคํามีความหมายในธรรมคําสั่งสอนและภาษาวกสซังโคอีกเหมือนกันพระสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นําพระธรรมมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมะใดอีกเหมือนกันผู้มีปัญญาบรรยายไม่รู้จักจบจากสิ้นเหมือนกัน ถ้าคนโง่ก็อย่างที่ว่าดูถูกเกียดหยามอีกต่างหากเพราะนั้นพวกเราได้มาศึกษาในหลักของพุทธเราขอให้พวกเรานึกดูย้อนหน้าย้อนหลังด้วยหลักเหตุผลอย่างที่หลวงพ่อไปพูดหลวงพ่อก็ถามโวกคณะไปด้วยกันหลายคนทั้งพระทั้งญาติโยม หลวงพ่อว่าพวกเรามานี่มาเพื่ออะไรคือความหมายก็คืออย่ามาเพื่อสนุกสนานอย่ามาเพื่อทะเลาะวิวาทกันเนี่อย่ามาเพื่อชิงดีชิงเด่นกันลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อมีความหมายแต่หลวงพ่อไม่พูดอย่างนั้นแต่หลวงพ่อพูดในภาพรวมว่าพวกเรามาเพื่ออะไรมาสู่สังเวียนสถานห้มาเพื่ออะไร พวกเรามาหาความสุขมาเที่ยวเล่นใช่ไหมพวกว่าพวกเราว่าสีวิไลไหมมีความสุขไหมมาอย่างนี้ทำไมเราจึงไม่ไปประเทศอื่นที่มันมีความสีวิไลนี่เรื่องเห็นภาพต่างๆที่น่าศึกษาที่น่าดูกว่านี้แต่นี่มันน่าดูไหมมีแต่คนขอทานมีแต่คนอะไรต่อไม่อะไร สัตว์สาราสิงยโสเย่ไปหมดความโศกปลอกดูหอกน้าห้องถ่ายขี่เต็มไปหมดแต่ที่ยังไงทุกคนก็ต้องมีขี่เพียงแต่ว่าขี่รู้จักที่จักทางท่านเองอันนี้โดยมากเขาเขาสบายเป็นไปเขาแบบสบายเขาจะปวดที่ไหนเขาเอาลงที่นั่นขี้ไม่เป็นที่เป็นทางแต่พวกเราเนี่ยเวลาจะถ่ายทุกก็ต้องหาที่หาทาง รู้จักเก็บรู้จักรักษาของตนเองเพราะมันของปฏิกูลของมีกลิ่นเหม็นไอ้อันนี้เราฮบอกกล่าวกันได้ศึกษาได้รับการศึกษาที่ดีแต่ถนะ้าศึกษาการที่ดีจะไม่ใช่แต่เขามักง่ายเกินไปเหมือนกับคนเราบางองค์ภพมักง่ายก็มีทําอะไรก็อนปุบปุบปับปับเสร็จแล้วก็ปุบปุบปิดปิดไปเลยกันผ่านผ่านไปความจะเสียหายไม่เสียหายองค์ไหนข่าไม่สน ขอให้ข้าผ่านไปก็แล้วกันกินอะไรก็ทิ้งเกินไปมันอย่างนั้นมันก็มีอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นคนมันมีหลายระดับ อ, อมีหลายระดับเราต้องรู้ให้รู้จักเรื่องของคนเนี่ย ม, มาอ่านเรื่องของคนียว่าไปประเทศดูประเทศเขาโอ้เรื่องของคนไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเพราะนั้นเราจะทํำยังไงกับคนคนคนนี้พูดยากเราจะว่า ย, ยัางไง คนคนนี่โมโหขี่โมโหโกธาเราจะทํำยังไงคนคนนี้มีความน้อยใจพูดอะไรก็ไม่ได้น้อยใจเ้วทํำยังไงเอบางคนคุณพูดใน้ฟังมีแต่ปวดตัวเองว่าเป็นคนมีศักดิ์มีสีมีหน้ามีมตาอยอย่างนี้เราจะทํำยังไงสรุปแล้วทางว่าเราได้ศึกษาเรื่องของมนุษย์แล้วอืมถ้ามันเกินไปเราก็เอา Ừ, แสลงหลังสักเพียหนึ่งสะให้สํานึกค่ะแต่อย่าไปเอาแรงเกินไปบางทีก็เขียนโดยวาจาเตือนนะบางทีเขาสํานึกได้ก็ดีถ้าเขาสํานึกไม่ได้เตือนยังไงก็เลยอา้าวอันนั้นก็เราก็ต้องหางเขาอีกละเราไม่ใช่ไปจะเป็นทุกข์กับเขาไม่ใช่ว่าเขาสอนได้บอกได้เราก็เป็นสุขกับเขาถ้าเขา ไม่เข้าใจกับเราเราจะเป็นทุกข์กับเขาอันนั้นเราก็เป็นประเภทโง่อีกประเภทหนึ่งอีกเหมือนกันเราไม่รู้จักเรื่องของมนุษย์อีกฮะนี่เราไปอ่านไปไปดูดูแล้วเออมนุษย์มันมีหลายอย่างจริงๆรงิเราไปดูในะสถานทีน่เราเรารู้แล้วโอ้โหมนุษย์มันหลายอย่างจริงๆฮะมันหลายเลี่ยงเหลี่ยมมันหลายภาพพจนจริงๆระอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อได้ไปดูได้ไปศึกษา พอหลวงพ่ออยู่ในปา่าดวงพงไัยไม่ค่อยได้ออกไปสู่ชุมชนสังคมอย่างนั้นเนะพราะมันไปอยู่ชุมชนสังคมอีกอย่างหนึ่งประเทศของเขาคงเหมือนกันถ้าไปอยู่ในสนามบินเขาโอ้โหเรียบร้อยเหมือนกนเราไม่แพ้กันนะถ้าเราไปดูอีกอย่างหนึ่งดูไม่จืดอย่างที่ว่าเพราะนั้นเราจะดูในเหลี่ยมไหนเหมือนกับเราดูร่างกายของเรานะเราจะดู ตาหูจมูกลิ่นกายดูที่ระบายออกทางอุจจาระปัจวะดูในลำไส้ของเรามันเป็นอย่างไรมันดูไม่จือดอีกเหมือนกันถ้าดูหน้าดูตาเสร็จสวยงดงามอีกอย่างถ้าไปดูอุจจาระนะมันมีกลิ่นขึ้นมามันก็มีได้ทั้งนั้นอันนี้ก็เหมือนกันโลกใบนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องศึกษา นี่คือได้มาพูดถึงผู้คนที่ชัดทายแย่โยมที่ไปดูหลวงพ่อก็บอกกล่าวเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อการศึกษานะไมไ่เชื่อมาเพื่ออย่างอื่นนะมาเพื่อสังสมบุญกุศลนะเออในหลักคนโบราณเขาพูดไว้ว่าไม่มีอะไรไม่มีความสุขไหนที่จะมีความสุขเหมือนอยู่ในบ้านตนเองในการเป็นอยู่ เจนาชนะสับปายะแต่ทําไมาเราจึงมาถ้าเราอยู่บ้านตัวเองถ้าเรามาที่เรามาให้โง่ทําไมเราทําไมจึงมาอ่ะอันนี้ก็เป็นคําถามถ้าเราไม่มาเราจะรู้ได้ไหมจะเราจะได้ศึกษาไหมเราจะรู้เรื่องคู่เรื่องคนไหมถ้าเราไม่มาถ้าเรามาเราก็เป็นทุกข์อย่างนี้เรามาทําไมสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องทําใจอีกเหมือนกัน เพื่อมาเพื่อการศึกษาเออถ้าเราไม่มาเราก็ไม่รู้ถ้าเรามามันก็ทุกแต่ว่าทุกทุกการมาและก็อยู่กับบ้านอันไหนมีคุณค่ากว่ากันอันนี้เราต้องมาบวกลบคูณหารแต่มาอย่างนี้เราก็ได้มาถึงบ้านปิดตัภูมิของพวกเราได้มาเห็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ นี่แหละอันนี้เราก็ได้ศึกษาทีนี่ได้ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทุกบั่งอะไรบ้างเราทำใจทั้งหมดเราต้องทำใจทั้งหมดเราจะไปทำใจให้กับเพื่อมถ้าทำใจให้เป็นทุกข์มันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันถ้าเราทำใจไม่ได้ะเราจะไปทำไมเราจะไปให้โง่ทำไมฮะเราอยู่ในบ้านตัวเองไม่ดีหรอในเมื่อเราไปเราก็ต้องทำใจ หลวงพ่อไปเห็นพวกขอทานก็เหมือนกันหลวงพ่อก็บอกอีกว่านี่นะขอทานเนี่ยนะที่ได้ยินนินมาว่าบางคนก็มีทั้งพี่เป็นร้อยสองร้อยไร่ก็มีแต่มาทำตนเป็นขอทานนี่นี่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยใจของเราเมื่อเราให้ทานไปแล้วแล้วใ จ, ใจกระเพื่อมโอ้เราถูกหลอกซะแล้วถ้าเราคิดอย่างนั้นเราอย่าทานอย่าทำทานอย่าทำให้แก่ใครทั้งหมดอาจจะผิดตัว แต่ถ้าว่าเราทําใ จ, ใจใว่าถึงจะใครก็เถอะถ้าเขาทําได้อย่างนั้นเราก็กล้าให้เขาไม่เป็นไรไปเมื่อเราทานไปแล้วเขาก็ไม่เอาไปทิ้งหรอกเงินของเราที่ให้ไปเราให้ไปเลยเนีเราการทําทานถ้าเขากล้าทำอย่างนั้นเราก็กล้าให้เนีเราให้แปลว่าจิตใจเราสูงกว่าเขาคนที่มาขอทานไปว่าเขาต่ำกว่าเราแปลว่าคุณภาพคุณธรรมในจิตใจเขาด้อยกว่าเรา เราเหนือกว่าเขาถ้าใครคิดได้อย่างนั้นทำเลยทำทานแต่ถ้าว่าทำใจไม่ได้อย่าทำนะทำไปแล้วก็แปลในใจเป็นทุกข์ในใจพวกนั้นอย่าทานี่แหละหลวงพ่อไปในครั้งนี้ก็ไปให้แนวความคิดของคณะและหลายอย่างเหมือนกันในการเดินทางเพราะมันเห็น ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนหลวงพ่อไม่เคยเห็นไม่เคยพบเคยเจอว่าะงั้นนะพอหลวงพ่ออยู่ในป่าดงพงไปอย่างพวกลูกหลานพอกลับมาถึงวัดโอ้โหทำไมสงบถึงขนาดนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมีแต่ดูใจของตนเองนะแต่บางองค์พอดูใจของเองมันก็ลุกโผล่ในใจอีกทีหนึ่งนะใจลุกโผ่พรงนะงันะ้สังขารมันปรุงแต่งนะ การมาเป็นนักพจนักบวชเนี่ยมันสู้กับใจนะมันไม่ได้สู้จากทางอื่นนะ่ะไม่ได้สู้เพียงกว่าการอยู่การกินการหลับการนอนการทําการทํางานไม่ใช่เพราะนั้นเราไปเห็นนักพจนักบวชพระอยู่ในป่ารงพงไพ่เขากราบเราเพราะอะไรเพราะเขามาอยู่อย่างเราเขามาอยู่ไม่ได้เพราะเหตุอะไรมาอยู่หน่อยเดียวเขาก็คิดถึงบ้าน่ะคิดถึงครอบถึงครัวคิดถึงไขรตัวมิตรอะไร ดุงเยือกฟุนไวยไปหมดเพอเผอถ้าบังคับให้จูใจอยู่ถ้าใจไม่มีธรรมร้อนยิ่งกว่าอะไรอีกยิ่งกว่าไฟอีกถึงอยู่ในห้องแอร์ก็เถอะใจมันร้อนหนยิ่งหาความสุขไม่ได้เพราะนั้นเรามาศึกษาจุดนี้ความสุขมันอยู่ที่ไหนความสุขที่แท้จริงนะ่ะอยู่ที่ไหนอะไรคือความสุข นี่แหละพวกเราให้ค้นคว้าศึกษาจุดนี้พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในเมืองขยาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คนต้นโพนางตัณหาราคะอรดีที่มายั่วยวนก็คืออะไรลาคะก็คือกิเลสในใจของพระองค์ลาคะตัณหาความอิจฉาตัณหา พระ อ, องค์คิดไปในทางเคยอยู่เป็นคราวาดญาติอยู่จิตใจปรุงมุ่งไปทางนู้นมันก็เลยเป็นกิเลสจนผลให้สุขช้บา ร, รมีของพระ อ, องค์สัจจะคือของจริงเราก็เคยมาแล้วดูอย่างนั้นมาแล้วมันได้อะไรเนี่ยพระ อ, องค์ก็ทบถวนผลในสุขก็เนี่แหละน้ำพระทัยคือสัจจะอธิษฐาน ข้าไปเจ้าจะไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราะมันตัดเด็ดขาดเเมื่อมันเด็ดขาดออกไปแล้วมันก็กระเด็นออกไปความชั่วเสียหายมันก็ไม่มาเข้ามาอยู่ในจิตใจของพวกเราาได้อีกเพราะมันกระเด็นออกไปแล้วเพราะแรงจิตอธิษฐานจุดนี้สาคัญน ะ, ะสรุปแล้วก็คือศรัทธาเนี่ยศรัทธาวิริยะขันติปัญญานี่แหละ ผู้ที่จะตัดกิเลสได้ศรัทธาในี่คือความเชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้าที่ผมพูดให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้โคนต้นโพนะแล้วก็ไปแสดงธรรมจักรที่เมืองพาร า, าสีอิสิปตนมิกตายวันนะพระพุทธเจ้าประสูดที่ลุมพินีนะเห็นนะเห็นแล้วนะสถานที่พระพุทธเจ้าพระนิพพานกุชินาราก็เห็นแล้วเมีแต่ สลักหักพังเต็มไปหมดใหญ่โตละหโหทานมากนี่แหละพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงใครจะมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เอามอบกายถวายชีวิตได้ข้าพเจ้ามาถึงจุดนี้แล้วอายุของข้าพเจ้าถึงขนาดนี้แล้วข้าพเจ้ามองเห็นแล้วอดีตเป็นมาอย่างไร ใครเป็นมาอย่างไงอนาคตใครเป็นไปอย่างไงอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าก็จะต้องเดินตามเขาที่เขาได้เป็นทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่เป็นอย่างอื่นร่างกายของเราเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเกิดแล้วแก่เจ็บตายอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดไว้จริงๆแต่บัดนี้เถอะเราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาพบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริง ขึ้นเวลาใดเป็นของจริงเว้นเสียแต่ตัวกิเลสมันมาขัดขวางบางครั้งแต่ก่อนหน้านี้เราคิดว่าเป็นของจริงแต่บัดนี้มันใจมันร้อนมันไม่เป็นของจริงขึ้นมาแล้วเอาเถอะเราเอาของเก่ามาเป็นเครื่องตัดสินเพราะเดียวนี้มันมันมีอารมณ์ขึ้นมากิเลสราคะโทสะโมหะมันขึ้นมาแต่ก่อนหน้านี้เราได้พิจารณ า, นานได้ิคเคะห์แล้ว คุมผ้าเสเวียงบานขึ้นมากราบพระประธานข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่อหลักเหตุผลข้าพเจ้าจะเคารพในหลักเหตุผลเท่านะั้นชีวิตทั้งชีวิตนี้จะไม่เป็นอย่างอื่นข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิต ถ้าพวกเราตั้งใจแน่วแน่และตั้งใจมุ่งมั่นอย่างที่พระพุทธเจา้าสัจจะอธิษฐานคำนี้ในจิตใจของพวกเรากิดเลสกิดเลสหน้าไหนมันจะเข้ามาหลอกเราได้เพราะเหตุไรเพราะเรามีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละอยากจะให้หมู่พเพื่อนทุกองค์พูดทางนี้ท้งนั้นไม่ใช่ว่าหมาจอกหางด่วนแล้วจะให้หมูตัดทางด้วยไม่ใช่นะ ให้หมหมคิดตูให้ดีถือว่าจะไว้หางยาวกว่าสุดแท้แต่อันนี้พูดให้ฟังพูดให้ฟังว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอีกไหมเอาความจริงมาพูดเราเอาหลักเหตุผลมาพูดมันไม่ใช่ทำมันไม่ใช่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายมันไม่ใช่ออกมาจากที่อื่ น, นพระพุทธเจ้าตรัสรู้จรัสรู้ที่ไหนจรัสรู้ที่ธรรมคือใจพระไทยของพระองค์ <c ours> เห็นอะไรเห็นไตร ล, ลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังอย่างพวกเราท่านทัน้งหลายที่ผมไปเห็นพวกท่านเหล่านั้นไปไหนเมื่อพันสองพันกว่าปีที่เขาขุดเจานะถ้ำคนมากขนาดไหนถึงทาได้ขนาดนี้ผมว่ามันต้องเป็นพันที่เขาจะต้องลงทุนแล้ววันหนึ่งเขาเจาะได้มากขนาดไหน แต่เขาว่าทุกวันนี้เป็นหลายแสนตันที่จาะออกมาและหินเหล่านั้นไปไหนอีกจริงเหล่านี้มันมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าโลกเขาบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ใช่ไหมเขาว่ามหัศจรรย์ของโลกเหมือนกันแอ่แต่อันนี้เราดูระด้านวัตถุอท่านได้อะไรท่านเหล่านั้นท่านได้อะไรที่ท่านพราไปแล้วท่านก็ไม่ได้อะไร ท่านก็ได้บุญได้กุศลก็สูตรจิตใจของท่านถ้าท่านได้ภาวนาของท่านท่านก็ภาคภูมิใจในตัวของท่า น, นบางท่านก็คงจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเป็นพระอระหันในยุคสมัยนั้นหยือในถ้มเหล่านั้นเพราะนั้นเราทุกองค์อย่าไปมุมั่นทางอื่นอย่าไปมุมั่นทางกิเลสโลภโกรธโลงอย่าไปมุ่งมั่นทางราคะโทสะโมหะ ให้มุ่งมั่นในธรรมให้นักแน่นในธรรมในหลักเหตุผลจะยึดกรรมาฐานไหนยะภาวนาอย่างนี้กรรมาฐานไหนเป็นหลักแต่โดยมากเวลาจิตใจของเรามันปั่นป่ว น, นะเราจะยึดกรรมาฐานนะมันไม่ได้ผลหรอกผมเคยทำมาแล้วมันต้องใช้ปัญญาต้องหาหลักเหตุผลมาหักล้างเอามาหักล้าง มันร้อนทำไมมันเพราะอะไรมันคิดเรื่องอะไรมันจะไม่ตายหรอเ่อสิ่งตอนนี้มันต้องหาเหตุผลมาหักล้างพอมันหักล้างพรกมันลงนกมันลงเท่านั้นนะโอ้ใจของเรามันทำไมมันเป็นอย่างนี้ปะบัตรนี้เราคงจะไม่ปล่อยให้มันจิตใจเป็นอย่างนี้อีกคล้ายๆแบบมัน มันเหตุโทษอย่างหนักเห็นโทษอย่างมากจิตใจที่มันไปทางกิเลสอย่างนั้นนี่แหละขอให้หมู่พวกเพื่อนกรรมาฐานอันดับแรกเมื่ออยู่ดีมีสุขก็ให้กําหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักให้มีสมาธินี่แหละเป็นหลักพื้นฐานในเมื่อสมาธิของเราดีเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาจิตใจของเราก็จะนแน่วแน่ เห็นเหตุเห็นผลเรื่องจริงเรื่องจังขึ้นมาในจิตใจเราจะปล่อยวางที่ไหนปดปล่อยวางที่ใจไม่ใช่ปล่อยวางที่อื่นปล่อยวางที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองค์เพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะพูดออกไปกว้างไกลขนาดไหน8ปดหมสี่พันพระธรรมคันสรุปแล้วก็คือลงมาสู่ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา อันใดอันหนึ่งสรุปแล้วก็คืออนัตตาเหมือนเราทำมาค้าขายเรื่องอะไรทำไรทำนาทำรูทำสวนขุดแร่ทาดแป้แร่ทาดสร้างตึกกรานบ้านช่องทุกสิ่งทุกอย่างสรุปแล้วก็คือเพื่อได้เงินมาให้ทำซื้ออาหารมาเลี้ยงตัวเองเป็นคำอย่างกินทีละคำละคำ ก็อยู่ได้แล้วก็มีเพียงแค่นั้นจุดใหม่นี้ก็เหมือนกันที่เราพิจารณาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากมายแต่ผลที่จะตัดกิเลสจริงๆคือธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราใจอย่าไปยึดไปถือมันนะใจอย่าไปให้ความสําคัญกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะใจ ให้รู้เท่ารู้ทันนะสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาใจของเราเนี่ก็ยังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเอกีกเพราะเหตุไรมันยังกระเพื่อมมันยังหวั่นไหวมันยัไงไกวแวกมันยังมีมืดยังมีสว่างอยู่ในใจของเราเดี๋ยวออกมุมหนึ่งแล้วก็ออกมุมหนึ่งเดี๋ยวก็ออกเศ้าหมองเดี๋ยวก็พองใสเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็ไม่ดีใจดีใจดีใจไม่เสียใจเสียใจดีใจเสียใจ มันอยู่ในจิตใจของเรามันมีอยู่สามดีใจกับเสียใจและใจเป็นกลางกลางใจกลางกลางเขาไม่ใช่ว่าจะเป็นกลางธรรมดาเองมันก็พร้อมที่จะยื้อไปหาทางดีมันพร้อมที่จะยื้อไปหาทางชั่วอีกเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าจะเป็นกลางไม่ขยื้อไปทางไหนถ้าจิตใจยังมีกิเลสอยู่ เ, เหมือนกัยสักขเยาะกันนกิเลสกับธรรม เ, เล่นสักขยเยอะกันถ้าธรรมมีกาลังธรรมก็ ลากกิเลสกูรูกูตังไปมันลากไปจนกิเลสถลอกเปอกเปิดผลที่สศก็นเบี่ยงลงเหวจบแต่ถ้าว่ากิเลสมันมีกําลังแท้เนี่ยมันก็ลากจิตใจของเราไม่มีเหตุไม่มีผลไม่น่าคิดมันก็คิดไม่น่าพูดมันก็พูดไม่น่าทํามันก็ทํา ม, มันคิดไปเลยกิเลสลากไปอกูรูกูตังไปพุทธสูต ก, กิเลสลากเบี่ยงลงเหวเอกีก นี่แหะเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยมันมันจะอยู่ในลักษณะไหนเพราะนั้นเศร้าหมองก็คือตัวกิเลสตัวพองใสในความยินดีก็คือตัวกิเลสตัวเป็นกลางกลางอัปยาคตาจิตมันก็เป็นกิเลสพร้อมที่จะขยื้อไปทางดีพร้อมจะขยื้อไปทางชั่วอีกเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผู้มีปัญญาใช้ปัญญาสมาธิ ผู้มีสมาธิผู้มีปัญญาจะเห็นได้ชัดด้วยตนเองเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะผมมาวันนี้ก็รู้สึกว่านานผมจะากจะมาเห็นหมู่เห็นเพื่อนกระพร้อมกันก็อยากจะมาพูดในแนวความคิดที่หลวงพ่อไปเจอไปพบไปเห็นอะไรมาวิเคราะห์เข้าสู่หลักธรรมะให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานี่พูดวันนี้ก็เอาเพียงแค่นี้ก่อนนะ ตัว น, นี้ไปเอานั่งสมาธิ